เรื่องนางปุณนาทาสีถวายขนมรามปิง้งพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีชื่อนางปุณนาดังได้สดับมานางปุณณาทาสีของเศรษฐีแห่งกรุงราชฤกษ์นางตามประทีปคือจุดไฟซ้อมเข้าเปลือกตอนกลางคืนยืนพักตากลมอยู่ลาเห็นประทีปสว่างบนภูเขา คิดว่าเราถูกความทุกข์เบียดเบียนแล้วนอนไม่หลับแต่เหตุไฉนหนอภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็นอนไม่หลับเหมือนเช่นกับเราหรือหนอนางคิดว่าความไม่พาสุกอาจจะมีแก่ภิกษุบางรูปที่ตามประทีบนั้นนางตื่นแต่เช้าตรู่หยิบรำนวดกับน้าให้ชุ่มแล้วปิ้งไฟห่อพกไว้ คิดว่าจะเอาไปกินระหว่างทางเดินไปสู่ท่าน้ำพระสสดาพร้อมภิกษุบริวารเดินบินทบาตอยู่จึงคิดว่าจะถวายทานแต่ทานของเราเศร้าหมองไม่ประนีตพระองค์จะรับหรือเปล่าหรือหากรับก็คงจะไม่ฉันแต่นางก็น้อมเข้าไปถวายกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงรับทานเศร้าหมองนี้เพื่อทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันด้วยเถิด ขอธรรมะที่ทรงเห็นแล้วจงสำเร็จแก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระสัสดาได้กระทำอนุมโมทนาว่าเอวังโหตุจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพระสัสดาทรงทราบวาราจิตของนางแล้วได้ประทับนั่งทมพัฒกิจคือฉันให้เห็นที่นั่นเองเทพพ ย, ยดาในห้องจักรวาลทั้งสิน้นบีบโอชารสให้เหมือนรวงพึ่งใส่ลงในชามนั้น ส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ที่นั้นครั้นเสร็จพัรกิจทรงตรัสเรียกนางปุณณามาตรัสว่าเหตุไรจึงดูหมิ่นสาวกของเราว่าไม่เข้าถึงความหลับเพราะเหตุแห่งทุกข์อย่างนั้นหรือคือไปเข้าใจว่าพระท่านจุดเทียนปฏิบัติธรรมแล้วนึกว่านอนไม่หลับเพราะมีความทุกข์ใจนางปุณณาทูลตอบว่าหม่อมฉันคิดว่า ท่านผู้เจริญไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันเป็นเพราะมีความไม่ผาสุกเกิดแก่ภิกษุบางรูปหรือเปล่าพระศาสดาตรัสว่าปุนนาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์แต่สาวกของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งธรรมะเป็นเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อทรงตรัสพระคาถาว่าอสาาวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อ มีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนย่อมน้อมไปสู่นิพพานอาสวะย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ในการจบเทศนานางปุณณาดำรงอยู่ในโสดาปติพลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว